ใครจะส่งกันบ้านเชิญก่อนส่งการบ้านพอดีนาจะมากราบลาหลวงพ่อนะฮะสิ้นเดือนนี้จะกลับไปต่างจังหวัดแล้วเจ้าค่ะก็เลยอยากได้คําแนะนําจากหลวงพ่อเอ้าไม่ส่งกันบ้านเลยขอการบ้านใหม่แล้ว <c oughs> แม่น้อยๆอย่างนี้ดีมากเลยวันนี้น้อยญาตโยมเยอะไม่ไหวเป็น ไ, ไงเออเ ร, เรียนมา3ปีนะเจ้าค่ะ ที่เรียนกับหลวงพ่อมา3ปีก็ออ4ี่หวันนี้เป็นการทดสอบข้อสอบอย่างใหญ่หลวงเลยเจ้าค่ะแล้วคิดว่าตัวเองที่โชคดีที่ได้เรียนมาก่อนธรรมะเวลาชีวิตมีความสุข <c oughs> ความสบายนะยังไม่ไม่เห็นคุณค่าหรอกเวลาเจอวิกฤตในชีวิตนะ่ยจะรู้ว่ามีประโยชน์มากแค่ไหนมันคือการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองหลายคนประมาท ไม่ลงทุนไม่ศึกษาบางคนพอเจ็บหนักแล้วมาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนานไงไม่ทันแล้วไม่ทันถ้าเราได้ศึกษาอยู่แล้วชำนิชำนาญ น, นะเวลาเจอสิ่งที่รุนแรงในชีวิตเลนะ้มันตั้งหลักได้ง่ายความทุกข์มันสั้นหรือไม่ถึงขนาดสติแตกอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันก็พอสู้ไหว แล้วก็พอปัญหามันผ่านไปนะเราจะรู้สึกว่าเราแกข่งขึ้นกว่าเกา่านั้นปัญหาชีวิตที่ผ่านมานะเป็นเครื่องทดสอบใจเราแล้วก็เป็นบทเรียนแข็งแกร่งมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหล็กดีนะถูกเผาถูกทุบย <c oughs> ิ่งยั่วแขก็งถูกประโคบประงมไม่ได้เรื่องนละดีแล้วได้หลักอยู่แล้วละภาวนาไปนะ บ้านอยู่จังหวัดไหนล่ะอย่าไปทำงานอยู่โน่นเลยหรือจะไปได้งพ่อาจะย้ายวัดเป็นแล้วก็ได้วัด น, นั้นงานเยอะเหลือเกินเยอะกว่าที่นึกไว้เยอะเลยภาระเยอะเยอะคำว่าสมภาร คนอยากเป็นสมพานนะเพราะละสมพานมันมาจากคาว่าสมภาระสมะว่าเสมอมีภาระตลอดเวลานั่นแหละว่าสมพานสมพานอีกขับหนึ่งเป็นชื่อหมาของคึกฤทธ์หมาของมอมคึกฤทธ์ชื่อสมพานฝึกไปขอบคุณนิถาหลวงพ่อเคยคิดว่าตัวเองนะ่ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะคะปล่อย หม่ยถึงว่าไม่ได้ทําอะไรที่หลวงพ่อสั่งไม่ให้ทําอะค่ะแต่วันนั้นหลวงพ่อก็มมผมขอโอกาสพูดกับโยมกันนะครับครับก็ขอโอกาสพูดกับโยมกันวันนั้นหลวงพ่อเตือนว่ายังไม่ร้อยนะคะแต่หาเองไม่พบอะค่ะเกิดว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อจะเมตตาเตือนว่าทําอะไรผิดอีกนี่คะรู้สึกไหมยังประคองใจไว้ขณะเนี้ยังประคองอยู่ ขณะนี้ไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมเกินธรรมดานิดนึ่งใจมันนิ่งๆนิ่งกว่าธรรมดาหน่อยหนึ่งมันมีตัวนิ่งอยู่มองออกไหมล่ะออกนั่นแหะของปลอมล่ะนึกว่าเป็นแต่ตรงนี้เป็นหมายถึงว่าขณะอยู่หลวงตอนหน้าหลวงพ่อจะมีอาการอย่างเนี้ประจำหมายถึงว่าออกไปข้างนอกไม่เป็นใช่ไหมดีกว่านี้หมาถึงไม่ได้ ตรงนี้เรียบร้อยเกินสิหน่อยอย่างนี้เรียบร้อยมากไป <Okay. S 2> นักภาวนาไม่ต้องเรียบร้อยนักอะ่ะ <Okay. S 2> <c oughs> แค่ไม่ผิดศีลก็พอละ <Okay. S 2> แล้วก็ปล่อยให้กายปล่อยให้ใจเขาทำงานของเขาไปแล้วก็ตามรู้ตามดูถ้าสติเกิดเราก็เห็นในทั้งกายทั้งใจนะเป็นสภาวะธรวนล้วนๆไม่ใช่ตัวเราเห็นฝึกมากเข้ามากเข้าก็ละความเห็นผิดว่ามีเราแต่เดิมสะสมแต่ความเห็นผิด มีเราอยู่เรื่อยๆสะสมไปเรื่อยมองเห็นก็มีเรามีเขามีสัตว์มีคนมีเรามีเขาได้ยินเสียงก็เสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขาคิดขึ้นมาก็มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอีกสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดพอเราสติเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยเสียงก็เสียงสิรูปก็รูปกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสนะสัมผัสก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ละอันแต่ละอันหรือใจที่คิดที่นึกนะ เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างสุขบ้างทุกบ้างนะนั้นแต่เป็นสภาวะธรรมไม่มีเราแสดงความโกรธสติเราะระลึกเห็นความโกรธพั๊บเห็นแล้วความโกรธไม่มีเราเป็นแค่นมามธรรมมันหนึ่งไหลามาแล้วก็ไหลไปห้ามมันก็ไม่ได้บังคับมันก็ไม่ไดนะ้มันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวมาแล้วมันไปนี่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะใจมันค่อยๆ ย, ย, ยอมรับความจริงเหมือนเอาน้ําเน่าเอาน้ําดีไปไล่น้ําเน่านะ ใจเราแต่เกิดก่อนนี้สะสมน้ำเน่าไว้เต็มตุ่มเลยน้ำดีคือการที่เรามีสติรู้ความจริงของกายของใจนี่ค่อยหยอดลงไปหย่อนลงไปนะค่อยแทนที่เข้าไปถึงวันหนึ่งมันขาดปั๊บลงไปเลยก็ลาความเห็นผิดได้ถาวรเพรนั้นต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนนะภาวนาต้องทนนะต้องทนเพราะเวลาเราสะสมความเห็นผิดสะสมมาหลายภพหลายชาตินะไม่เป็นไร ไม่ว่ามันเวลาภาวนา Fourth. จะสะสมความเห็นถูกนัใจร้อนอยากได้เร็วๆเทียบอัตราส่วนระหว่างการสะสมความเห็นผิดกับเห็นถูกแล้วเทียบกันไม่ติดเลยนะตั้งแต่เกิดมาลืมตาขึ้นมาก็เห็นคนเห็นสัตว์ก็เห็นพ่อเห็นแม่เห็นโน่นเห็นนี่เห็นแต่บัญญัติเห็นแต่สิ่งที่เรียกว่าบัญญัติสมมุติบัญญัติสิ่งที่คิดขึ้นทั้งหมดเลยมันไม่ได้เห็นตัวสภาวธรรมที่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ นี่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญสติเรารู้สึกตัววับหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีที่หลุดออกจากโลกของความคิดไม่มีคนไม่มีสัตว์นะคนกับสัตว์อะไรเนี่ยมีเรามีเขาเนี่คือความคิดทั้งนั้นเลยคือความคิดเรียกว่าทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิเป็นความคิดเป็นความเห็นค่อยฝึกไปท่านในผลเป็นไงเมื่อหลายวันผ่า น, านไปแล้ว จิตแวะไปคิดถึงเรื่องที่เขามีการเสนอโครงสร้างยุบหน่วยงานบางหน่วยงานปรับปรุงโครงสร้างบางอย่างในองค์กรสำคัญของรัฐและเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการทำลายส่วนรวมมากกว่าประการสร้างสรรค์ปกติผมไม่ค่อยสนใจเรื่องการถึงแต่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่เคยทำมามก็เลยคิดจิตก็เลยคิดว่าไม่นี่ไม่ถูกต้อง ก็มีโมโหมีโทสะมีความเครียดมันก็จุกอยู่ตรงนี้ใช่ใช่จุกอยู่ครับก็ผมก็ตามดูตามรู้โทสะรู้ว่าโทสะเครียดรู้ว่าเครียดแต่ว่ามันก็ไม่หายมันแค่ลดดีกรีลงลดดีกรีลงผมก็คิดว่าทําไงจะให้หายก็จะปฏิบัติสมถะคืออนาปนสติแต่ว่าพอจะปฏิบัติก็ได้ยินจิตเข้าบอกบอกว่าโยนิโสมานสิกาลผมก็เลยไปคิดพิจารณาว่า สิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นนะทำไมเราจะต้องไปตีตัวไปก่อนแล้วก็อะไรมันจะเกิดก็เกิดมีเหตุให้เกิดเมื่อเกิดเหตุดับมันก็ดับคิดอย่างนี้แล้วมันก็เลยึค่อยๆจางจางไปตัวไม่จางหายทีเดียวนานครับกว่ามันจะหายก็เรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติไปถูกหรือเปล่าครับก็ถูกนะแต่การคิดพิจารณาคือเวลาเราเผชิญกับปัญหาหนักๆหรืออารมณ์ที่รุนแรงเนี่ย แล้วก็เป็นอารมณ์ที่เราแพ้เช่นเราเป็นคนขี้โมโหมาเจออารมณ์ที่ ย, و, ยั่วโมโหเราดูเราไม่ขาดเนี่ยก็ต้องช่วยตัวเองคิดพิจารณากระทั่งครูบาอาจารย์ก็สอนเหมือนกันอย่างพระหนุ่มๆ น, นะก็ให้คิดพิจารณากายเป็นปฏิกูนาสุภาอะไรเนี่ยมันข่มกิเลสได้ชั่วคราวพอจิตใจเราสงบลงแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาตามรู้ตามดูต่อัต้องฉลาดในการปฏิบัติ ช่วงนี้เอาสติเข้าไปรู้สู้ไม่ไหวแล้วจเจริญนิปั ส, สนาสู้ไม่ได้ก็ใช้สมถะการคิดพิจารณาก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งช่วยให้ใจสงบครับผมจ ร, จริงๆองค์กรทั้งหมดนะอยู่ชั่วคราว <c oughs> องค์กรหน่วยงานทั้งหลายอยู่ชั่วคราวหมดนะนะแะก่อนมีเวียงวังคลังนาวหายไปหมดแล้วนะห ก่อนจะมีเวียงวังคลังน้ำกม็มีอะไรของมันะ่ะแยกกะลาหมมหากไทยแยกตามพื้นที่นะทุกคนทำงานเหมือนกันหมดอะ่ะแต่แยกตามพื้นที่ไม่ได้มีหน่วยงานอะไรชัดเจนนมาเวียงวังคลังน้ำมาเป็นกระทรวงนะก็ยุบไปยุบมาเดี๋ยวก็ยุบนะเดี๋ยวก็ตั้งใหม่เดี๋ยวก็รวมกันเดี๋ยวก็เลิกไป กระทรวงวัฒนธรรมนะที่แรกเป็นกระทรวงใช่ ห, หมมันลดลงมาเหลือแค่กองเอง อ, อยู่ในกรมสินบุคคลกวกลับมาเป็นกระทรวงอีกแล้โลกเป็นอย่างนั้นแหะโลกเป็นงนั้นแหะพอทราบว่าพี่นาจะไปต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมคะจะกลับต่างจังหวัดแล้วเราก็มีความรู้สึกใจหายพอตอนเช้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นความที่มันใจหายมันวาบเีย่ยคะ่ะหลวงพ่อ แล้วเสรปุ๊บจิตมันก็ปรุงแต่งเรื่อยๆแล้วพอเรารู้ทันมันก็ว่าอีกรอบหนึ่งมันก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆอะค่ะอรู้แล้วว่าบเลยหรือว่ารู้รู้ร้าว่าอะไรบอกทีแรกรู้ว่าถ้าจะไม่อยู่ใจหายว่าใช่ไหมเอาไม่ค่ะพอพเรารู้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะแล้วพอตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยจิตมันก็หยิบฉวยขึ้นมาทันทีเลยพอตื่นนอนเราก็เห็นมันเลยอะค่ะแล้วมันก็ปรุงแต่งของมันไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้ทันไปเรื่อยๆอะค่ะ แล้วก็จะรายงานของพ่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในระหว่างวันที่เราทํางานพอเราลืมเนื้อลืมตัวไปทั้งวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเราเหนื่อยมากพอเรารู้ตัวตอนเย็นปุ๊บพอเรารู้ตัวใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้เนือ้อรู้ตัวทั้งมีจลนสติได้ทั้งวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นนะคะเราเร า, เราสดชื่นเราจะไม่เหนื่อยอย่างนี้ค่ะถูกแล้วแต่เราต้องทําใจอันหนึ่งนะเวลาเราพบใครเนี่ย ต้องจบต้องจากทั้งหมดอนะ่ะแกทั้งคนในบ้านเราเวลาอยู่คนเดียวจะติดซึมนะคะหลวงพ่ อ, อแล้วก็เพิ่งมีวันนี้ที่เข้าวัดมารู้สึกว่าแช่มชื่นขึ้นมาหน่อย อ, อ๋อหนึ่งเดียวอยงเหรอเยอะก็ได้ <c oughs> วัดวันนี้ชวนซึมนะอากาศมันชวนซึม <c oughs> เวลาอยู่คนเดียวก็จะหลงไป ต, ต้องทำในรูปแบบด้วยถ้าเราทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะไม่มีกำลังหลงนานเพราะฉะนั้นทุกวันต้องมีข้อวัดของตัวเองนะตั้งใจไว้ทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี่ย ห, หนาทีสิบนาทีก็ยังดีไม่ละเลยไม่ละเลยมุสลิมเขาละหมาดวลาห้าครั้งนะชาวพุทธไหว้พระหนึ่งครั้งไม่ค่อยไหว ấy. เราไหว้พระเราสวดมนต์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยนึกถึงทานของเรานึกถึงศีลของเราตรวจสอบตัวเองวันนี้ทําความดีอะไรเนี้ยคิจารณาลงไปงี้ก็ได้เช่นวันนี้คนมายั่วมโมโหเราเรายกโทษให้ได้ไม่โกรธเขานึกขึ้นมาแหมอิ่ม อ, อกอิ่มใจส่วนไอ้ที่ไม่ดีไปนึกนะเช่นวันนี้ไปด่าเขาแล้วไปนึกซ้นะํานั่นเดี๋ยวอยากด่าอีก อะไรที่ดีๆมาคิดซ้ำๆคิดถึงศีลของเราศีลของเราบริสุทธิ์จิตใจเบิกบานคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงพระพุพะทธรธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยเนี่ยแค่นี้ก็ยังดีนะจิตใจสงบลงมาจิตใจสงบแล้วตามดูใจที่สงบนั่งดูไปใจเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาตามดูเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราฝึกของเราอยู่อย่างนี้บ่อยๆนะอยู่ในชีวิตประจําวันจะไม่หลงยาว ใจมันจะคอยเบียนกลับมานึกถึงธรรมะเรื่อยๆบางคนห้อยพระนะห้อยบอกจะได้เตือนใจห้อยเสร็จแล้วหนึ่งองค์ยังไม่เตือนต้องมีหลายองค์หลายองค์ก็ยังไม่เตือนนะหลายองค์ก็ยังไม่เตือนหลวงพ่อคะแล้วเวลาที่เราเจอคนที่อารมณ์แรงๆเนี้ยค่ะมันชอบไหลชอบไหลไปกับเขาอ่ะมันเหมือนเราตั้งหลักไม่ได้อะคะ่ะต้องซ้ำของเราให้ดี ต้องฝึกของเราก่อนแล้วก็เวลาไปเจอผัสษะแรงๆเนี่ยเหมือนไปเข้าห้องสอบสอบได้หรือสอบตกก็รู้เองเนาะคุณนาแต่ถึงสอบตกนะ <c oughs> ก็ไม่ต้องท้อแท้ก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกสอบได้ก็อย่าหลงระเริงนะบทเรียนอื่นอาจจะโหดกว่านี้อีกเนี่ยต้องซ้อมได้อย่าประมาท กลับไปปฏิบัติตามรูปแบบมากขึ้นครับในชีวิตประจําวันก็รู้สึกว่าออจิตใจสบายตั้งมั่นมากขึ้นแต่ตอนนี้ตื่นเต้นครับที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ละจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วะดีแล้วล่ะนี่ละเคยมาไหมวันนี้ เ, เคยทํากรรมฐานไหมรู้สึกตื่นเต้นบ้างไหมรู้เฉยๆตอนนี้เฉย ๆ, ๆรู้จักความรู้สึกอะไรบ้างอรู้จักโกรธไหมเคยโกรธไหม เคยอยากได้อะไรต่ออะไรไห ม, ไมอยากได้โลกรู้จักเผลอไห ม, ไมใจลอยอะ่ะเมอเมอรู้จักไหมเหม อ, ไ ม, อไม่รู้จักเหมอเหรอเมอรู้จักกันไม่ค่อยไม่ค่อเม อ, ม อ, อเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆนะัจะรู้ว่าเหมอทั้งวันเลยใจของเรานะมันพร้อมจะไหลแวบแวบหนีไปตลอดหนีวิคิดอนะ่ะส่วนใหญ่หนีไิคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะขณะที่มันหนีไปเราจะลืมตัวเราเอง เราจะลืมกายเราจะลืมใจตัวเองเรื่อยๆการฝึกมีปั ส, สนาก็คือการที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆเพ <c oughs> ื่อจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจจะเรียนรู้ไปเรื่อยตามรู้ตามดูนะจนวันหนึ่งก็ปัญญาเกิดกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเกิดปัญญาขึ้นมากายนี้ก็เป็นแค่วัตถุจิตใจก็เป็นนามธรรมเป็นธาตุอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นธาตรู้ เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปสืบเนื่องไปเรื่อยๆตัวตนที่แท้จริงไม่มีพอเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีเนี่ยนะความทุกข์มันจะหายไปเยอะเลยมันมีความทุกข์ได้เพราะมันมีเราขึ้นมาใช่ไหมมีเราตัวเราดังนั้นร่างกายเราหรือชื่อเสียงเกียรติยศเราหรือทรัพย์สมบัติเราเสียหายครอบครัวเราเสียหายมันเดือดร้อนแต่ถกระทั่งตัวเราไม่มีเนี่ยของอื่นก็ไม่มี จะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขมากขึ้นเบาสบายนะแต่ไม่ได้ขี้เกียจนะไม่มีตัวเราไม่ต้องทำมาหากินไม่ใช่ชาวพุทธจริงๆขยันนะรวยได้ก็ต้องรวยนะไม่ใช่ต้องจนเสมอไปนะในสมัยพุทธกาลชาวพุทธเป็นเศรษฐีเยอะเลยนะไม่เหมือนตอนนี้นะในอินเดียชาวพุทธส่วนมากเป็นพวกจันทานในสมัยพุทธกาลนะชาวพุทธเป็นกษัตริย์เป็นพราม สิ่งที่โยมได้เห็นก็คือว่ามันจะเป็นความเห็นที่ต่อเนื่องเจ้าค่ะอย่างเช่นว่าพอเผลอแป๊บรู้ว่าเผลอแล้วดีใจว่ารู้ว่าเผลอแล้วจากนั้นเปลี่ยนเป็นเห็นภาพอาหารอยากทานแล้วรู้ว่าอยากทานแล้วก็ดีใจว่ารู้ว่าเออแค่ว่ามันมันจะรู้ต่อเนื่องแต่ว่าโยมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการจงใจรู้หรือว่ามันเป็นการสังเกตสังเกตได้ง่ายๆนะถ้าเราจงใจหรือเราประคองเนี่ยใจเราไม่สบาย แต่เราจะแข็งแข็งเคลียดเครียดนะถ้ามันรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดารู้บ้างเผลอบ้างนะใจจะเบาๆจะสบายนะแต่อย่างถ้าถ้าใจเหมือนตอนนี้ประคองนะใช่เจ้าค่นะแต่ถ้าอย่างกําลังเผลอๆ อ, อยู่ๆ อ, อ, อาหารชนิดนี้ลอยมาเกิดอาหารทิพย์ลอยมาต่อหน้าใจมันอยากกินรู้เลยรู้เองนะอยู่ๆภาพอันนี้ก็ผุดขึ้นมาเองก็ผุดขึ้นมาแล้วใจเราก็เกิดความรู้สึกขึ้นเองอย่างนี้ใช้ได้ จะเบาเบโล่งๆอันนี้คือมันต่อเนื่องเลยเจ้าค่ะมันต่อตลอดถูกต้องจริงๆไม่เคยหยุดเลยหเห็นไหมจิตทํางานทั้งวันทั้งคืนเห็นเจ้าค่ะนั่นแหละเขาแสดงไตรลักษณ์เขาไม่เที่ยวนู้สึกไหมแล้วเขาทํางานเนี่ยนะนอกการควบคุมดูออกไหมเจ้าค่ะอยู่ๆมก็เปลี่ยนเรื่องเหมือนมันไปเฉยๆเจ้าค่ะการที่มันแสดงการนอกการควบคุมบังคับไม่ได้คือคําว่าอนัตตานั่นเองนั่นเราเห็นอนิจจังนะดูจิตใจเห็นอนิจจังคือทํางานทั้งวันทั้งคืน เปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เห็นอนัตต า, าการที่เขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะั้นเราบังคับเขาไม่ได้อยู่นอกการควบคุมนะพอเห็นซ้ำไปซ้ำไปวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงตัวเราไม่มีหรอกจิตใจนี้ทำงานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเรารอกแต่สังเกตไหมเวลารู้สึกขึ้นมาเราหายไปเราจะหายไปแต่เวลาขาดสติเราจะเกิดขึ้น เวลาขาดสติแล้วเราเกิดขึ้นเวลารู้สึกตัวขึ้นมาแบบไม่ได้จงใจนะเราหายไปมี่พอรู้สึกมรักเข้ามากเข้าไม่มีเราซ้ําแล้วซ้ําอีกนะปัญญามันแจ้งตัวเราไม่มีค่ะบางครั้งเนี่ยเห็นอารมณ์ที่หงุดหงิดพอเห็นปั๊บแล้วอยากให้มันหายอันนั้นก็หายไปเลยแต่บางทีอารมณ์ที่รุนแรงเห็นก็ไม่หายไ<ม>่<ช>หายะนะ อย่างการที่เราเห็นนะทั้งๆ ท, ที่เห็นแล้วก็ไม่หายเนะี่ยเขาก็สอนธรรมะเราอีกละว่านะเธอบังคับฉันไม่ได้หรอกนะอย่านึกนะว่าเก่งจริงแล้วดูแล้วฉันจะหายเจ้าค่ะที่จริงสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุเขายังอยู่นะไม่หายอย่างเรามีงานมีเรื่องกังวลที่จะต้องคิดต้องทนะําเนี่ยใจมันกังวลขึ้มนมาเราไปดูพบทังานมันยังอยู่นะเรื่องที่เครียดเยดยังอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาคิดอีกก็กังวลอีกไม่หายเจ้าค่ะนั่นก็เป็นธรรมะนะ ยังงั้นแปลว่าสติที่ที่เป็นตัวแท้เนี่ยไม่ได้เกิดตลอดใช่ไหมใช่ไม่ได้เกิดตลอ ด, ด, ด, ลอดบางทีเจือกิเลสแทรกเข้ามาพอเราไปเห็นสภาวะสมมติเห็นความเครียดครับมันระดับกะดับแว บ, บเดียวนิดเดียวเพราะว่าขณาดปัจจุบันเล็กนิดเดียวเสร็จแล้วเราไม่ชอบมันมเราไม่ชอบน้นใจไม่เป็นกลางล้ใจมีโทสะละ้ไม่มีสติละขณะนั้นถึงไปนั่งดูอยู่นะก็ดูด้วยโทสะ ไปนั่งดูเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายดูด้วยโทสะไม่ได้มีสติหรอก mm hmm. ถ้าสติตัวแท้กเกิดน้าขาดปั๊บเลย mm hmm. แต่ขาดแล้วถ้ายังมีเหตุเกิดอีก mm hmm. เกิดขึ้นมาได้อีกไม่ใช่ขาดแล้วขาดเลย mm hmm. แต่เสร็จแล้วทั้งหมดนั้นแสดงธรรมะให้เราดูว่าเราบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุที่ท่านในผลพูดเมืเชียสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุมันยังอยู่เดี๋ยวมันเกิดอีกนะ แล้วไม่ทราบว่าโยมปฏิบัติเป็นยังไงดีละใช่ได้ต้องต้องปรับปรุงตรงไหนมากใช่ไเดี๋ยโยงใจเยอะเกินไปนะใค่ะให้สบายถ้าภาวนาแล้วรู้สึกเครียดเครียดนะก็พักผ่อนบ้างค่ะมิธีพักผ่อนก็คือหัดพุทโธหัดอะไรย่างนี้ไปคิดถึงครูบาอาจารย์ฟังซีดีหลวงพ่อพักผ่อนฟังบ่อยมากเลยใชค่ะฟังแล้วมีความสุขนะซีดีหลวงพ่อกางรัเกิด พารู้ว่าหยุดสามวันรู้สึกก็ตึงต้องเหงาเนี่ยนะครับก็เลย <laughs> จะเคยที่เคยเทําในรูปแบบนานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี้ยก็เลยมาคิดเอาใช้ซอยออาดีกวา่าซอยให้มัน15ทียี่สทีครึ่งชั่วโมงบ้างแต่ว่ามันถีขนถ่ขึ้นถี่ขึ้นก็รู้สึกดีขึ้น <laughs> แล้วก็รู้ <laughs> สึกความเหงาก็ไม่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าหยุดนานหลายวันที่ ท, ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มาก็เลยรู้สึก <laughs> เปป็นปกติเห ม, อเม้องเอาอย่างหลวงพ่อที่ไม่เจอโยมแล้วไม่เหงา <c oughs> <c oughs> ไม่เหงาสักนิดเลยนะ <c oughs> ถ้าอยู่กับปัจจุบันมีชีวิตอยู่ช่วขณะเนี่ยมีแต่ความสุขนะความสุขของเรามันสําลักข้อมูลข่าวสารเยอะแต่ละวันสัมผัสกับเรื่องโน้นเรื่องนี้มากนะถ้าเราอยู่กับตัวเราเองอยู่กับปัจจุบัน เห็นสภาวว่ารูปนามเกิดดับไปนะแม่เม่นมีความสุขกับกันเยอะเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยทางานอยู่สภาวความมั่นคง10กว่าปีนะสภาวความมั่นคงเนี่ยเช้าขึ้นมานะงานหลักเลยคือข่าวต้องรู้ข่าวทุกเรื่องโอ้โหวันวันนะไม่หิวข้าวนะแต่หิวข่าวหิวข่าวต้องเก็บแต่ข้อมูลศึกษาวิเคราะห์อะไรเงี้ย วันไหนพอเลิกงานนะโยนทิ้งเลยไม่เอาเลย <S <S เบื่ออย่างทุกวันนี้ไม่เอาข้อมูลนะขี้เกียจยุ่ง <laughs> เราอยู่กับปัจจุบันสบายกว่ากันเยอะแต่เป็นคลาวาสไม่ได้นะต้องรู้อย่างเราทําธุรกิจอะไรเนี้ยต้องรู้ข้อมูลหูตากว้างไกลธุรกิจบางตัวเป็นเวลาที่เรียกซันเซ็ตบางช่วงก็ซันร้าบางแต่และตัวไม่เหมือนกันเมื่อเราทํามาหากนินก็ต้อง ต้องเรียนรู้ต้องติดตามเป็นหน้าที่ยังเป็นชาวโลกอยู่ก็จะทำให้สบายเหมือนพระก็ทำยากนะแต่ทำได้แค่นี้เก่งแล้วมรรคผลเบื้องต้นต น, นะโสดาสกิทาคาอะไรเงี้ยเป็นไปได้สำหรับกวารไม่ยากเกินไม่ได้ไม่ได้แพ้พระนะธรรมะเบื้องต้นนะพระส่วนมากพออยู่วัดนานๆนนไม่มีอะไรกระทบเนี่ยซึมไปเลย หรือติดสมถะนี่พระติสมถะเยอะซึมๆแล้วพอบวชนา น, นานก็ต้องหางานทำไม่งั้นเหงานีหางานทำเข้าเรื่องบั่งไม่เข้าเรื่องมั่งนะไม่แน่นะว่าตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยพระกับโยมใครจะรู้กันถ้าโยมรู้หลักเนี่ยโยมผัสาะเยอะผัสาะเยอะก็คือการบ้านเยอะ น, ะนั่นเองขยันดูนะขยันดูแล้วไม่ช้าหรอก แต่ว่าพอจะทําถึงขั้นที่ละเอียดขั้นที่ประนีตขึ้นไปเนี่ยคาววาทํายากนะมันวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาเลยถ้าถึงขั้นละเอียดเนี่ยใจไปอยู่กับธาตุรู้อยู่กับผู้รู้มันสงบมันสงัดประนีตเสร็จ แ, แล้วก็ยังเห็นในความประณีตนั้นก็มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เห็นได้แต่ถ้าใจเราวอกแวกๆอกแวกนี่นะเราดูไม่ออกเลยว่า ตัวจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่เที่ยงด้วยตัวมันเองหรือไม่เที่ยงเพราะถูก ก, กระทบภายนอกเวลาเราอยู่ตามลําพังของเราเองเนี่ยเราตัดภัสสะภายนอกออกเหลือแต่ภัสสะภายในล้วนๆหนึ่งเราะฉั้นถ้าเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรารู้เลยไม่ได้เป็นปัจจัยภายนอกนะเป็นด้วยตัวของมันเองภายในเราะนั้นกรรมาฐานพอถึงขั้นละเอียดขั้นจะแตกหักข้ามภพข้ามชาตินะคาววาทํายากเห็นแต่ว่าบารมีกล้าจริงๆเขาก็ทําได้นั่นก็มี มีที่สุรินนะมีโยมคนนึงลูกศิษย์หลวงปู่ดูลชื่อตะเย๋ยเป็นคารวะาอย่างพวกเรานี้แหละภาวนาได้ธรรมะขั้นต้นได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วอยู่คลองคองเรือนนะมีลูกมีเมียเล้งแก่ไปไงนะั้นปกติของชาวบ้านเลยแต่ว่าหัดดูจิตชำนิชำนานไม่เคยละทิ้งดูเรื่อยๆแต่มันข้ามขึ้นชั้นที่สูงขึ้นไปไม่ได้ ตอนแกไม่สบายหนักใกล้จะตายนะนอนอยู่โรงพยาบาลขณะจะตายนะแกตัดสามครั้งเลยนะจิตนี้สว่างว่าๆพวกพระเห็นกันคารวาตเป็นในเพศคารวานะัตแต่ว่าเสร็แล้วตายเลยคล้ายๆพระเจ้าสุดโทธนะคาราวาตเป็นแล้วตายเร็วนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นยาพิษคารวัตเป็นแล้วต้องตายไม่ใช่หรอก คารวะมันยึดถือเหนียวแน่นตอนจะตายแล้วถึงรู้ว่าเอาไว้ไม่ได้แล้วถึงยอมทิ้งงั้นพอทิ้งปุ๊บเลยตายไปเลยมันจริงจะตายอยู่แล้วละ่ะอย่างพระเจ้าสุโธธนาก็เจ็บหนักสีหา ม, มาดเนี่ยใกล้จะตายแล้วหมดอายุแล้วจะตายกินเหล้าเมาแอมาตั้งเจ็ดวันเสร็จแล้วอีหนูแกตายแกเสียใจย่าไปหาพระพุทธเจ้านะ ทังทำไม่กี่ประโยคก็เป็นพระละหันแล้วตายคารวะก็มีนี่เราไปดูดูประวัติเราก็เลยเออคารวะาเป็นพระละหันแล้วตายหมดเลยความจริงตอนที่ยังไม่ตายยังแข็งแรงยังอยากอยู่แต่ว่าก็หัดรู้หัดดูเรื่อยๆนาทีที่จะตายขึ้นมาจริงๆนะรู้แล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วยอมทิ้งเลยได้ ไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกหลวงพ่อเดาๆอนะไม่มีคำภีรองรับนะอันเนี้ยแต่เผยแต่เผยเผาออกมาก็เป็นทา่าทาดนะทพวกเราน่าซ้ำๆเยอะเรียนแล้วเรียนอีก <c oughs> <c oughs> อย่างพวกเรามาเรียนไม่เคยขออะไรกับพวกเรา มีแต่ขออันเดียวว่าทนทนไว้หน่อยเห็นไหมไม่ได้ขออย่าง อ, างอื่นนะขออย่างเดียวว่าทนไว้ทนไวนะ้นะหนังสือก็าหามาให้นะสิ่งดีก็หามาแจกนะคุณตรงเชิญวันนี้ไปพยายามไปดูมันให้ชัดแต่ว่าเพิ่งเห็นเมื่อกี้หลวงพ่อเทศเนะพิ่งเห็นว่าจริงจมันอยากดูสิ่งที่มันแ น, น่นๆอยู่ข้างในอืมดูไปมันก็มันก็มีอยู่นะฮะพอเราไม่ดูมันก็หายไปใช่าหันมาดูทีเท็น เราไปเราไปสร้างมันขึ้นมาเองสร้างมันขึ้นด้วยความจงใจปฏิบัตินั่นแหละอย่างวันนี้ไม่มาคุณชีรัตนะชีรัตจิตมีโมหะอยู่เป็นเดือนเดือนดูใหญ่หลือทาไมจะหายทำไมจะหายนะใจก็ฟุ้งซ่านไปใหญ่เลยคิดว่าทำยังไงจะหายฟุ้งซ่านนั่นแหละตัวโมหะบอกใจถึงถึงสีช่างมันไปอะไรละนะอย่าไปดูมันก็ได้ลืมมันไปซะตัวที่ติดอยู่ ตัวที่ติดอยู่พอเราลืมเราโยนทิ้งไปเลยนะรู้สึกขึ้นมาใหม่สดชื่นขึ้นมาใหม่แล้วตามรู้ตามดูเอาง่ายกว่าเวลาจิตเข้าไปล็อกอะไรสักอันหนึ่งภาวนาไปตั้งเกิดไปล็อกอยู่นะล็อกคาราคาสังอยู่นานแก้ยากแก้ยากล้มกระดานไปเลยเหมือนเราเล่นหมากฮอสกับใครหมากรุกกับใครสักคนนะหมากตานี้ถ้าจะแพ้แล้วนะแกล้งเตะกระดานมันทิ้งแล้วเริ่มใหม่นะล้มกระดาน แต่ระวังมันชกออกเราเริ่มใหม่ง่ายกว่าแล้ว ก, ก็คิดถึงเรื่องอยากฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเมืเ่อไรก็ได้ครับปฏิจจสมุปบาทครับออน่าฟังนะหนวพ่อก็ชอบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมะที่เราใจที่สุดเลยสมัยพุทธการพระพุทธเจ้าบางครั้งอยู่องค์เดียวนะท่านก็สวดปฏิจจสมุปบาทเล่น เอาวิชาปัจญาสังขาราอะไรเนี่ยทำเพลงปฏิจจสม บ, บัติเดี๋ยวไม่มีเวลาฟังมีเวลานาทีเดียวหลวงพ่อก็พูดเรื่อยๆปฏิจจสม บ, บัติปิสมบัติลึกนะเป็นธรรมที่ลึกที่สุดเลยถ้าผู้ใดเห็นปฏิจจสมบัติจะข้ามภพข้ามชาติาเห็นแจ้งปฏิจจสมบัติต้องเป็นพระอระหันต์ถ้าเห็นปฏิจจสมบัติเบื้องต้นจะได้โสดา กุตุชนไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นก็จะเห็นนิดๆหน่อยๆเช่นพอมีความอยากขึ้นมาใจก็ดินด้นดิ้นแล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมาจะเห็นท่อนๆปลาๆเรื่ต้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทถ้าแทงตลอดจริงๆก็คือการเห็นอริยสัจนั่นเองรู้ลงมาว่าขันนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเพราะว่าเราไม่เห็นขันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนั่นแหะก็เรียกว่าอาวิชชา เราก็เห็นว่าขันเป็นตัวเราขึ้นมามันก็เกิดความปรุงแต่งวิชาปัจจยาสังขาราคือปรุงว่าทํำยังไงจะมีความสุขอยากให้จิตนี้มีความสุขให้กายนี้มีความสุขยิ่งปรุงก็ยิ่งทุกข์พอยิ่งทุกข์ก็ยิ่งปรุงปฏิจจสมบัติยอที่สุดเลยนะเพราะไม่รู้ความจริงก็เลยปรุงขึ้นมาพปรุงขึ้นมาก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็ยิ่งปรุงไปอีกนะเกิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นเป็นบัตตะยิ่งอยาก นะก็ยิ่งปรุงยิ่งปรุงก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็อยากให้มันพ้นอีกแล้วก็ปรุงอีกหมุนอยู่ไม่จบนะจะตัดกระแสของปฏิจจสุบาติต้องรู้ลงในกายในใจนี้จนวางกายวางใจได้เห็นจริงอนะเห็นจริงว่ากายในี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆ น, นะวังไปแต่ทุกข์ขั์กับทุกขเวทนาก็ไม่เหมือนกันนะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ถ้าไม่ลืมนะ <c oughs> เ, เชิญเดยมไปทานข้าวนิมนต์ขอ